อาจารย์พรหมวังโสท่านเป็นพระอังกฤษนะแต่ไปอยู่ออสเตรเลียท่านเคยตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจนะคือคนส่วนใหญ่นะก็มักจะมีอัลบั้มภาพนะนะภาพที่เก็บไว้ในอัลบั้มนั้นนะก็โดยและแต่เป็นภาพที่ สวยงานเพ่นความสนุกรื่นเริงการได้ไปเที่ยวการได้อยู่ร่วมกับคนรักหรือว่าการที่ได้ประสบความสำเร็จภาพรับปริญญาทบลองปริญญาแต่ว่าไม่ค่อยมีภาพที่เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์เท่าไหร่ ภาพการสูญเสียคนรักหรือว่ามีคนมาต่อว่าด่าทอหรือว่าการประสบความล้มเหลวในการงานมันจะไม่ค่อยมีภาพเหล่านี้โดยเราจะเป็นภาพที่ดีๆภาพเป็นความสุข แนเราเดียวกันคนเราเนี่ยก็มีอัลบั้มภาพอีกชนิดหนึ่งนะมันไม่ใช่เป็นฟรีมไม่ใช่เป็นเป็นโพสการ์ดนะแต่ว่ามันอยู่ในใจของเราในะ เ, รเรื่องความจําในใจเรามันก็มีอัลบั้มภาพอยู่นะที่เก็บไว้ในความทรงจําซึ่งคนส่วนใหญ่นี่ไอ้ภาพที่เก็บไปนี่ แทนที่เป็นภาพสวยงามภาพความสำเร็จความสุขความรุ่นเริงอย่างที่เก็บไว้ในอัลบั้มที่เป็นโปสการ์ดหรือกระดาษมันเป็นท่่งความทุกข์ถูกต่อว่าหรือว่าสูญเสียพัดพราก ภาพความเจ็บความป่วยก็เลือดแ้แต่เป็นภาพที่เป็นลบทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ที่น่าสนใจนะทำไมมันต่างกันอย่างนี้นะภาพที่เราเก็บเป็นสมุดนะสวยรื่นเริงความสุขแต่ภาพที่เราเก็บไว้ในความสมงจำนะมัน ไี่ใชเรื่องที่ไม่ค่อยหาหรือหันเท่าไหร่ที่จริงในความทรงจาก็คงหลายคนส่วนใหญ่คงจะมีภาพมีความสุขอะไรด้วยแต่ที่ที่เด่นกว่าก็มักจะเป็นภาพเหล่านี้แหละภาพแห่งความทุกข์ความเจ็บปวดความโกรธแล้วเพราะว่าภาพเหล่านี้มันเด่นอยู่ในความทรงจา บุคคลทุกวันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ทั้งที่รอบตัวก็เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มไปด้วยเครื่องคราวที่จะให้ความบันเทิงเริงรมนะแล้วเดี๋ยวนี้ก็พกติดตัวได้แต่ก่อนนี่จะดูหนังก็ต้องเปิดโทรทัศน์ในบ้าน หรว่าเปิดเครื่องวิดีโอดูหนังมีคอมพิวเตอร์มาคอมพิวเตอร์ก็เป็นเครื่องใหญ่นะต้องอยู่ประจําที่นะแต่ดูหนังฟังเพลงก็ต้องอยู่ที่บ้านนะก็ยังดีกับสมัยก่อนนะต้องไปต้องไปที่โรงหนังทีงนี้อยู่บ้านไม่ต้องไปไหนแล้วก็เปิดหาความบันเทิงเริงร ộ ได้ แต่สมัยนี้มันง่ายกว่านั้ น, น, นมันมีพกติดตัวเลยนะคือโทรศัพท์มือถือในโทรศัพท์นี่ก็มีเพลงมีวิดีโอมีหนังแต่ว่าคนก็ยังมีความทุกข์มีความเครียดนะอันนี้เพราะว่าในอัลบั้มภาพที่เก็บไว้ในความทรงจำนี่มันมีแต่เรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มีแต่เรื่องลบๆนะพูดง่ายๆอาจารย์พรหมท่านก็แนะนำว่าให้ให้เอาภาพเหล่านี้ออกไปบ้างเรียกว่าลบทิ้งไปเลยนะแล้วก็เอาภาพที่สวยงามเป็นกุศลเข้ามาภาพที่สวยงามเป็นกุศลนี่สาหรับคนทั่วไปก็คงจะหมายถึงความสุขสนานรื่นเริงได้ไปเที่ยวนะ ถ่ายวีด ท, ทันแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือถ่ายนะภาพเซลฟี่นะีน่ยนี่นี่ก็เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทั่วไปไปพมาก็เห็นหนุ่มสาวมีโทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นสมาร์ทโฟนด้วยแล้วก็ไปที่ไหนก็เห็นเขาถ่ายเซลฟี่กันเดี๋ยวบ้างคู่บ้างนะ ภาพหมูนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ต่างจากเมื่อเมื่อหลายปีก่อนที่เคยไปเยอะอันนี้ก็เป็นภาพเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมไปแล้วของคนสมัยนี้ตอนนี้เนี่ยเราก็ควรจะเอาภาพดีๆเนี่ยท่านๆก็นเอาภาพดีๆ ภาพป็นความสุขความรื่นเริงที่จริงมันก็ไม่ได้มันก็มีมากกว่า น, นั้นนะภาพที่ดีๆเนี่ยมันก็รวมถึงภาพแห่งแห่งที่มันน้อมใจให้เป็นกุศลด้วยเช่นการที่ได้ทำความดีหรือว่าการที่ได้มีภาพของพระพุทธเจ้า เ, เก็บไว้ในความทรงจำ ภาพพระพุทธรูปที่เราประทับใจนะอันนี้ต่อเติมเข้าไปท่านไม่ได้ท่านไม่ได้พูดถึงท่านนั้นพรนะพุทธรูปที่เราประทับใจแล้วเราก็เก็บไว้ในความทรงจำภาพครูบาอาจารยนะ์ให้สริงเหล่างนี้เนี่ยมันทำให้ใจเป็นกุศลนะไม่ใช่แค่มีแต่ความสนุกอย่างโรกโลกนะั้นแต่ว่ามันเป็น ผุ้ส่วนที่มันจะชี้ไปสู่ความปล่อยวางหรือความอิสระได้อย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ ย, ยถ้าถามก็มีทั้งมรรคผลนิพพานส่วนใดที่เป็นโลกุตระและชี้นาแห่งโลกุตระนั้น ที่เป็นโลกุตตระธรรมก็มีที่ชี้ที่ไม่ใช่แต่เป็นการชี้นะเป็นบันไดไปสู่โลกุตตระธรรมก็มีถ้าเราซึมซับรับเอาภาพเหล่านี้ไว้มันก็จะทําให้ใจเป็นกุศลแล้วพอใจเป็นกุศลแล้วเนี่ยมันก็จะดึงดูดเอา สิ่งที่เป็นกุศลเข้ามาไว้ในใจด้วยแต่ทางตรงข้ามนะถ้าใจเราเป็นอกุศลนะใจเราเป็นลบนะลบนี่คือว่ามีความโกรธความเกลียดมีความโลภมีความกลัวมันก็จะดึงเอาสิ่งที่เป็นอกุศลเข้ามาไว้ในใจ ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมีภาพที่ไม่ดีเก็บไว้ในใจเนี่ยภาพลบๆทั้งหลายเนี่ยก็เพราะว่าจิตใจเขาเป็นอกุศลด้วยคนเราเท่ากันมีความโกรธมีความเกลียดหรือความเครียดเนี่ยมันก็จะเวลานึกมันก็นึกจะเห็นแต่ไอ้ภาพลบๆมันนะเราโกรธใครเราเกลียดใครเราก็จะเห็นแต่ การกระทหรือคำพูดลบๆของเขาแล้วพอเรากลัพอเราเกียดแล้วเนี่ยไอ้ภาพเหล่านี้ก็จะประทับนั่นในใจอันนี้คือเหตุผลทำไมคนทุกวันนี้เนี่ยจึงมีแต่เรื่องลบๆอยู่ในใจอยู่ในความทรงจำทั้งที่เรื่องบวกๆเรื่องที่เป็นสุขก็มีเยอะแต่มันไม่สามารถจะประทับนั่ในใ น, ใน ในจิตใจได้มากเทกับภาพที่เป็นลบก็เพราะว่าคนมีความเครียดมีความมีอารมณ์ที่เป็นลบมากอารมณ์ที่เป็นลบมันก็ไปดึงดูดภาพที่เป็นลบนะลบเนี่ยมันก็ดึงดูดลบนะในลักษณะนี้แหละและพอเรามีอารมณ์ลบเนี่ยมันก็จะไปดึงดูดอารมณ์ลบของอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาด้วย เช่นถ้าเรามีความโกรธความเกลียดเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆคนที่รอบตัวเขาก็จะนะพลอยรู้สึกรู้สึกเป็นลบตามมาด้วยอย่างนั้นเ้าก็อาจจะรู้สึกเครียดนะเวลาอยู่ใกล้คนที่โกรธคนที่เกลียดันะ้งทีสองคนอาจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเลยถ้าเป็นคู่กรณีแล้วเนี่ยก็ยิ่งดึงดูดเอาเอารมณ์ลบจาก ซึ่งกันและกันได้ง่ายพอฝ่ายหนึ่งเคืีอดอีกฝ่ายนึงก็เครีอดพอพูดคุยกันก็กลายเป็นงานโต้แยง้งกลายเป็นการทะเลาะต่างฝ่ายต่างคิดจะเอาชนะกันต่างฝ่ายต่างคิดจะหาทางใช้ถ้อยคำที่รุนแรงนะเพื่อเพื่อเชื้อเฉือนกันอันนี้เรียกว่าลบมันดึงลบนะ แล้วมันก็ถ่ายทอดกันไปได้ด้วยนะเราจะมองอย่างนั้นก็ได้ว่ามันความอารมณ์รบมันถ่ายทอดติดต่อกันไปเนะช่นคนที่เงาเนี่ยพออยู่ใกล้คนที่เงาเนี่ยไอคนอยู่ใกล้ก็พอยเงาไปด้วยนะมันก็มีการวิจัยศนะึกษาแล้วเพราะว่ามันความเงามันถ่ายทอดกันไปได้ ไอเป็นพ่กคนที่เงาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะความเงาเข้ามาแสดงออกมาทางสีหน้าทางคาพูดทางพฤติกรรมที่ที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรนะกับคนที่อยู่รอบข้างไม่ค่อยให้ความใส่ใจคนที่อยู่ใกล้คนที่เงาก็จะปล่อยรู้สึกถึงอารมณ์ที่เงา แล้วก็ทําให้ไม่ค่อยไปติดต่อสัมพันธ์นะกับคนอื่นด้วยความรู้สึกสนุกสนานในคนที่รอบตัวเขาก็เลยเหินห่างพอเหืนห่างก็เลยก็เลยเกิดความรู้สึกเงาเนะี่ยมันมันระบาดไปมันติดต่อกันอย่างนั้นความกลัวก็เหมือนกันความเครียดก็เหมือนกันมันก็ แพร่กันไปได้เรื่องีริงมันแพร่กันได้เร็วมากนะั่นไม่ใช่การจากการพูดคุยกันจากการอยู่ด้วยกันนะแต่วันแพร่ไปทางเฟซบุ๊กเปิดดูเฟซบ o ๊กบ่อยเฟซบุดด๊กคนที่มีความโกรธความเกลียดให้เราก็พลอยถ้าเราไม่ระวังตัวก็พลอยเป็นกับเขาไปด้วยอันนี้จะมองว่าเป็นการแพร่เชื้อความโกรธความเกลียดก็ได้ หือจะมองในแง่ที่ว่าความกลัความเกี่ยดเขามันก็ไปดึงเอาความกลัวความเกี่ยวในใจเราออกมานะตอนนี้เนี่ยจึงบอกว่าลบเนี่ยมันก็ไปดึงดูดเอาลบเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าบวกแหละนะถ้าคนนึงเนี่ยมีอารมณ์ที่เป็นบวกเช่นมีความเมตตากรุณามีน้ำใจมีความสุข มันทำให้คนที่อยู่ใกล้นี่ก็พอยมีความสุขไปด้วยแล้วคนที่อยู่ใกล้อาจจะอาจจะมีความเครียด จ, จะมีความโกรธเคืองแต่พออีกฝ่ายหนึ่งพูดดีทำดีกับเขาให้ความโกวดความเกลียดแล้วก็เลือนหายไปมันก็มีความปรารถนาดีความเมตตามาแทนทีเน่ยเราเจอกันคนสองคนเนี่ยถ้าฝ่ายหนึ่งพูดไม่ดี อีกฝ่ายนึงก็จะตอบโต้ด้วยคําที่ไม่ดีแต่อีกฝ่ายหนึ่งพูดด้วยนะความพูดด้วยคำดีๆมีเมตตามันก็จะสามารถจะทําให้คนนั้นเนี่ยก็พลอยนะมีความรู้สึก ด, ดีแล้วก็พูดดีด้วยได้อันนี้เราบวกก็ดึงบวกนะอันนี่คือความหมายที่แท้จริงนะของคําว่าบวกนี่มันไปดึงบวกไม่ใช่ว่า เดี๋ยวที่เขไปตีความว่าเนี่ยถ้าเรานึกถึงเงินทองทรัพย์สมบัติแล้วเดี๋ยวทรัพย์สมบัติจะตามมาจะลอยมาอันนั้นมันไม่แน่นแต่ที่แน่คือว่าถ้าเรามีความรู้สึกบวกนกับใครนคนนั้นก็แม้จะมีความบวหยิดลำคาญอะไรมา ก, ก็จะพลอยบวกตามไปด้วยบามีความบวชนั้นมันอาจจะเริ่มต้นจากการ การพูดดีทำดีอย่างมีเพื่อนคนหนึ่งก็บน่นแกชอบบ่นว่าแกมีปัญหาไปปรึกษาพระว่าแฟนเนี่ยสามีเนี่ยชอบบน่นชอบว่าชอบประชดนะว่าชอบว่าเข้าวัดแต่ทำไมนะไม่สนใจครอบครัว ภรรยาก็เครีย์ก็ไปปรึกษากับพระพระท่านก็นแนะนำดีว่าก็ทำดีกับเขาสิพูดดียิ้มให้เขาเวลาเขากลับมาจากที่ทำงานก็เอาอะไรไปต้อนรับเขาขนมน้ำเขาเหนือหน่อยๆมาก็ช่วยดูแลเขาผู้หญิงก็บอกทำไปทำไมทำไปแล้วได้อะไร อย่างก็ไม่เชื่อพระท่านก็พูดว่าเนี่ยก็ให้เหมือนกับว่ามาทําบุญกับพระเวลามาทําบุญกับพระก็ไม่ได้หวังอะไรไม่ใช่หรือคือไม่ได้หวังอะไรจากพระไม่ใช่หรือนั้นตะเกิดได้คิดขึ้นมาก็เลยพอกลกับไปที่บ้านก็พยายามนะพยายามยิ้มให้แฟน พูดดีกับเขาเวลาเขากลับกับบ้านจากที่ทำงานก็เอาน้ำเย็นเย็นเอาเครื่องดื่มเอาของว่างไปบริการเขานะดูแลปฏิบัติเขาปรากว่าไม่นานนะไม่นานคือแค่สีห้าวันเท่านั้นแหละนะสามีก็เปลี่ยนเลยเจ้าที่ชาออยบนอะไรต่างๆก็การพูดดีด้วยยิ้มให้ด้วยนะ ฝ่ายผู้หญิงก็เลยพอไปไปไปไปวัดก็เลยเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็พูดว่าพูดกับพระวันเนี่ยลู้นี้ทำไปนานแล้วลู้นี้ทำไปนานนะ็่คือรว่วเนี่ยถ้าเราพูดดีทำดีเขาก็จะดีด้วยแต่ตอนนั้นไม่เชื่อนะตอนที่พระแนะนำํำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนลยว่าบวกก็ดึงบวกนะ พอเราถ้าเราบวกกับใครมันก็สามารถจะดึงความรู้สึกบวกๆจากคนนั้นออกมาแต่ถ้าหน้าบึ้งนะหน้าบึง้งเครียดนะพอใจเป็นพอใจเป็นลบนะคำพูดก็เป็นลบเพราะคพูดเป็นลบเนี่ยมันก็มันก็ไปดึงเอาความรู้สึกลบของอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมานะก็กลายเป็นความบึ้งตึงความเผินห่างหรือจจะกลายเป็นการทะเลาะวิวาทกัน นั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากปรารถนาสิ่งที่ดีๆนะเราพยายามทําใจและเป็นบวกเป็นกุศลและอย่างไรที่มันจะเกิดขึ้นก็คื อ, คอในภาพดีๆนะภาพที่เป็นบวกพก็จะค่อยๆถูกดึงมาแล้วก็ประทับในใจของเราทั้งจากเหตุการณ์ในอดีตนะเหตุการณ์ในอดีตก็มีทั้งบวกและลบพอใจเราเป็นบวกมันก็จะไปดึงเอาภาพความทรงจําที่เป็นบวก ออกมาหรือไม่ก็ช่วยทำให้ประทับแน่นมากขึ้นคนที่เขามีความสุกเป็นบวกก็จะจดจำสิ่งดีๆนะที่เขาพบประสบเนี่ยได้ดีกว่านะบางคนคนที่ไปอินเดียเนี่ยไปสังเวยเชตถานเนี่ยหลายคนเนี่ยไปที่เดียวกันนะแต่ว่าเห็นไม่เหมือนกันบางคนก็ประทับใจกับ ความศรัทธาของผู้คนนะประทับใจกับต้นพระศีมหาโพธิ์ประทับใจกับเจดีย์พุทธคยาประทับใจกับความ อ, อดทนความสมร t ของคนอินเดียแต่บางคนมีเรื่องล่าแต่ความไม่ดีของคนอินเดียรกปกไม่สะอาดมีแต่ขอทาน เชื่อจะไม่ได้ไปเหมือนกันนะไปที่เดียวกันแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ประทับอยู่ในใจนี่แตกต่างกันบางคนนะมีแต่เรื่องที่เป็นบวกนะมาลอยฟังมีแต่เรื่องที่เป็นบวกที่ประทับอยู่ในใจบางคนก็มีแต่เรื่องที่เป็นลบที่มันจาอยู่ในใจอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าบวกดึงบวกนะั้นลบดึงลบนะ คนที่เขาเห็นแต่สิ่งที่ดีๆใจเขาเป็นกุศลนะใจเขานะมีอาจจะไอจจะเ้เพราะเปลี่ยนไม่ได้ศรัทธาพอไปสังเวชสศาแล้วเนี่ยเกิดศรัทธาท่วมท้มทมในใน จ, จิตใจอันนี้ก็เป็นอารมณ์บวกซึ่งก็จะไปดูดเอาภาพบวกบวกเข้ามาไว้ในใจหรือว่าจะทำให้เห็นแต่สิ่งที่เป็นบวกนะรอบตัวไอ้คนที่เป็นลบเนี่ยไปก็ไม่ได้ที่จะไป ไปไม่ได้ไปด้วยศรัทธาหรือจะไปด้วยศรัทธาก็แล้วแต่แต่แตแตมัน ไ, ไม่มากจิตใจยังเป็นลบอยู่นะพอจะจิตใจเป็นลบเนี่ยมันก็เห็นแต่สิ่งที่เป็นลบแล้วก็จดจําในสิ่งที่เป็นล บ, นล บ, ลบเนี่ยลบดึงลบนะบวกก็ดึงบวกดึงในที่นี้ก็รู้เลยว่าทั้งเห็น ทั้งจดจำแล้วก็รวมถึงว่าไปไปกระตุ้นเอาพลังบวกหรือพลังลบจากรนะที่อยู่รอบคางกด้แด้ก็เคยพระพ่าสนชนสรันมงนก็เคยสําเคยเล่านะว่า บางครั้งบางคราวก็ต้องถูกขอร้องให้ไปสัมภาษณ์คนที่จะมาสมัครเป็นพนักงานเวิร์กพอยต์เขาก็ไม่ค่อยชอบสัมภาษณ์คนเท่าไหร่แต่ว่าบางทีก็จําเป็นต้องทำนะก็เล่าว่าเคยสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุก็ไม่มานะยังไม่ถึงสามสิบเลยถาม สิ่ที่ประโยคแ ร, แรกๆที่เขาจะคำถามแลกๆที่เขาพยายาถามคือว่าที่ทํางานเก่าเป็นยังไงทำไมถึงถึงจะมาทํางานใหม่ที่นี่เพื่อย่างนี้ก็ร้อนที่ทํางานเก่านี่แย่เจ้านายไม่เป็นธรรมนะส่วนเพื่อโรงงานก็เล่นพักเล่นพวกประจบประแจงนะคอยเ อ, เอาแต่วิพากษ์วิจารณ์กันนะ ส่วนเจ้านายนี่ก็ชอบคนประตบประแจงก็เลยไม่มีความสุขเลยคิดว่าหางานหางานใหม่ทําดีกว่าอีกคนหนึ่งนะก็สัมภาษณ์ใ ก, กล้ๆกันอายุก็เล่ย์ล่กันถามว่าที่ทํางานเป็นยังไงที่ทํางานดีเจ้านายก็มีความรักใคร่มีความ มีน้ำมีความเมตตาแนละ้วกับลูกน้องเพื่อโรงงานก็มีน้ำใจดีนะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันเนะขาบรรยายนะ ก, ก็เป็นที่ทำงานดีๆงั้นแล้วทำไมถึงลาออกละ่ะทำไมถึงอยากจะย้ายที่ทำงานใหม่แต่ก็บอกว่าเขาเปลี่ยน เขาก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเขาถูกรับมอบหมายไปทํางานในที่ที่เขาไม่ถนัดเป็นงานที่เขาไม่ชอบก็เลยเคิดว่ออกมาทํางานที่ชอบดี ก, กว่าสิ่งที่มันแล้วเขาก็บบา เ, า เ, าเล่าต่อมาว่าเนี่ยสองคนนั้นเนี่ยทํางานมาจากที่ทํางานเดียวกันเพล่เพแผนกเดียวกันด้วยแต่ว่าสิ่งที่เล่ามา มันคนละเรื่องเลยคนแรกนี่ที่ทำงานนี่มันก็นรกคนที่สอนที่ทำงานมนก็สวัรค์อันนี้มันก็น่าคิดนะว่าทำไมทำงานที่เดียวกันแต่ว่ามีภาคจำไม่เหมือนกันอันนี้ก็เหตุผลเนี่ยเป็นที่มุมต่อเนื่องคือมุมมองไม่เหมือนกันและที่มุมมองไม่เหมือนกันก็อายเป็นเพราะว่าอารมณนะ์ภาวะอารมณนะ์ของแต่ละคนไม่ต่างกันด้วย คนบางคนก็เครียดนะนก็เห็นแต่ลบคนบางคนก็เป็นเป็นคนที่ผ่ อ, องใสใจเบิกบานก็เห็นแต่สิ่งที่เป็นบวกแล้วก็จดจำแต่สิ่งที่เป็นบวกโดยเฉพะเพราะเขาสดพราเขามีความอื่นงเลือมเบิกบานก็พลอยทําให้คนรอบข้างเนี่ยเบิกบานและทําดีกับเขาอีกคนนึงเครียดนะหรือว่าชอบมองอะไรเป็นลบ เห็นแต่ความเห็นแต่ลบของคนอื่นคนที่อยู่รอบข้างก็เลยไม่ชอบคิดหน้าก็เลยพูดหรือกระทาในสิ่งที่เป็นลบกับเขาเขาก็เลยจดจำแต่สิ่งที่ไม่ดี ouais <_ for living> นัรนกนการที่เราพยายามที่จะทำจงและเป็นกุศลเนี่ยนะมันมันมีความสำคัญมากเลยนะต่อ ต่อการรับรู้การมองโลกและการดำเนินชีวิตของเราร้วนล้วนทั้งกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยถ้าพอเราเป็นบวกนะบวกก็คือมีศรัทธามีกรุณามีเมตาตามีความรู้สึกตัวมันก็ทําให้เราจะเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นบวกแล้วก็จดจาสิ่งที่เป็นบวกเอาไว้ แม้แต่สิ่งนี้เป็นลบนะแม้เจอแม้รับรู้ก็สามารถจะมองเห็นความเป็นบวกของมันได้จะเห็นประโยชน์ของมันแดดล้อนก็ดีนะรถติดก็ดีนะดดล้อนก็มันทําให้ได้ฝึกใจตัวเองรถนะติดก็ดีนะทำให้ได้กลับมานั่งตามลมหายใจคือพอเจอลบๆก็เห็นเป็นบวกหมดนะ แล้วก็มันทำให้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยพลอยรู้สึกบวกหรือว่าคอยพูดบวกทำบวกนะกับกับเราด้วยการปฏิบัติธรรมนี่คือการที่ทำให้มันเกิดอารมณ์ที่เป็นบวกที่เป็นกุศลขึ้นมานยอย่างที่ว่ามานะศรัทธาก็ดีเมตตากรุณารวมแม่กระท้แต่อุเบกขามุติตานี่ก็ใช่รวมทั้งความ ความอดทนมีความเพียรมีปริยะามีขันติพวกนี้ก็เป็นบวกทั้งนั้นแต่ถ้าลบนี่ก็เช่นความโกรธความเกียดความเศร้าความความเห็นแก่ตัวเรฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเราไม่อยากให้เจอแต่สิ่งไรลายก็ต้องทำให้ใจเป็นบวกขึ้นมา ใจถ้าใจเะะราเป็นลบเนี่ยมันก็พลอยคนที่อยู่รอบๆตัวก็พลอยพูดลบทำลบกับเราหนือบางทีสำค่ญคือตัวเราเองนั่นแหละที่มันจะคอยดึงดูดรับรู้แต่สิ่งที่เป็นลบรอบข้างคนที่เศร้านี่เวลาเศร้าเนี่ ย, เ, ยเขาไม่อยากจะฟังเพลงที่สนุกสนานรื่นเริงเขาอยากจะฟังแต่เพลงที่มันเศร้าๆ อันนี้ก็เรียกว่าลบดึงลบเหมือนกันนะลบดึงลบคือมันอยากจะฟังแต่เพลงเศร้านะทั้งที่มีแต่ทำให้เศร้ามากขึ้นนะถ้ามีสติรู้ทันในะอารมณ์ที่เป็นลบนะมันก็จะดูแต่เรื่องลบๆนะเข้ามาเน้นเมื่อใดก็ตามที่เรามีสตินะเราก็เมื่อเมื่อก็ตามที่เรามีอารมณ์ลบนะกลับมาตั้งสติให้ดีนะเพียงแค่ความรู้สึกตัว นะมันก็ช่วยทำให้ความรู้สึกลบมันจางคลายไปแล้วก็อย่าพยายามที่จะไปดึงดูดเอาสิ่งที่เป็นลบนะทวงมันบ้างทักมันบ้างเวลาจามันเป็นลบนี่มันจะนึกถึงจะเห็นในสิ่งที่เป็นลบของคนอื่นนะก็ทักทวงบ้างว่าเขาก็มีด้านบวกเหมือนกันลองพยายามเปิดใจให้กว้างสักหน่อยนะเตือนใจอยู่เสมอนะว่า เมื่อใดก็ตามที่ใจเป็นลบนี่มันก็จะดึงมันก็จะเห็นแต่ลบมันก็จะจําแต่เรื่องที่เป็นลบแล้วก็ดึงแต่สิ่งที่เป็นลบจากคนรอบข้างซึ่งจะทําให้เราแย่ลงอเลือดถลําจมหายก็จมลงไปนในความที่เป็นลบตั้งสติให้ดีทงความรู้สึกตัวนะฝืนใจหน่อยนะเพราะว่าฝืนใจที่จะมองอะไที่เป็นบวกบ้างนะฝืนใจอะไรที่ จะมองอะไรให้มันกว้างขึ้นไปบ้างมันอยากจะฟังเพลงเศร้าอาลองฟังลองดูอะไรที่มันสดใสล่าเริงหรือว่ากลับมาสร้างอารมณ์ที่เป็นกุศลด้วยการมาสวดมนต์สวดมนต์เจริญสติทำสมาธิอันนี้ก็เป็นการเติมอารมณ์บวกเติมความเติมสิ่งที่เป็นบวกให้แก่อารมณ์จิตใจของเราซึ่งมันก็จะช่วยทําให้อารมณ์ลดค่อยๆลดที่คลายหายไป ต้องรู้จักแก้อารมณ์ของตัวบ้างอย่าไปให้อารมณ์ลบ ม, มันคลองใจทําให้อารมณ์บวกมันขึ้นม า, ารวมทั้งอารมณ์ที่เป็นกุศลถึงที่สุดการปฏิบัติธรรมนั้นก็ต้องคือการพาจิตของเราให้อยู่เหนือทั้งอารมณ์ลบและบวกนะมันอยู่เหนื อ, นอลบและบวกเมือ่อกรรมเนี่ยกำก ร, ร, ก ร, รดำดําก็ไม่ดีนะต้องทํากรำขาวคือกรำดีแต่ถึงที่สุด ก, ก็ต้องไปพ้นทั้งกรรดำดำํากำขาว อยู่เหนือกรรมดีกรรมชั่วเพราะว่าถ้าอยู่เหนือกรรมดีกรรมชั่วก็คือการการลดเหตุปัจจัยที่ทำให้ต้องไปเกิดกรรมลบมันไปอบายกรรมบวกไปสวรรค์ไปสุกตินะแต่ว่ามันมีที่เหนือกันนั้นกนะ็คือนิพพานนะซึ่งมันอาศัยกรรมที่ว่าไม่ดําไม่ขาวหรือว่าเหนือกรรมดีกรรมชั่วดการที่เรายกจิต ในเบื้องต้นเราก็พยายามยกจิงของเราให้เป็นกุศลให้เป็นบวกให้เป็นบวกก่อนนะต่อไปก็ให้มันอยู่เนื้อลบเนือบวกอันนี้แหละเป็นกุศลอย่างแท้จริงนะเนื้อเป็นภาวะจิตที่มันอยู่เนื้อบุญเนือบางเนนะี่ยอันนี้เป็นกุศลที่อย่างแท้จริงที่ทําให้เรียกว่าไม่มีเชื้อไปเกิดใน่พบภูมิใดไ ด, ไ ด, ไดนะ้เรียกว่าอยู่เนื้อสังสารวัฏ อะไรก็ู้กทงนี้นะอากาศ